เรื่องทรงอนุ ญ, ญาตให้ฉันคณะโพชนาได้ในสมัยที่โดยสารเรือ214สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายโดยสารเรือไปกับพวกชาวบ้านครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกชาวบ้านเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดนำเรือเข้าเทียบที่ฝั่งสักครู่พวกตมา จ, จะไปบิณฑบาตพวกชาวบ้านเหล่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลาย นีมนพวกท่านฉันที่นี่แหละภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันขณาโภชนะจึงไม่รับแล้วได้นําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีรร พ, พ ร, ะมระภาคทรงสแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันขณาโภชนะได้ในสมัยที่โดยสารเรือแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย